เอาวันนี้ก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะนิ ม, มนต์อาจารย์โยเกนะเนยให้เทศเป็นชาวญี่ปุ่นก็มาฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่สุขโขทัยนานละ20ปีภาษาย วันนี้ก็มีฝรั่งมา <Yeah. S 1> ก็ได้พูดถึงว่าในโลกนี้คนค่า ต, ตัวตายเพราะความคิดเองะเยอะเหลือเกิน <Yeah. S 1> ถามฝรั่งว่าเกิดเป็นฝรั่งนะจมูกโด่งนะอยากผ่าตัดดั้งให้แบนแบบคนไทยไหม <Yeah. S 1> คนไทยนะชอบผ่าตัดเสริมดั้งให้โด่งแบบฝรั่งอัน <Yeah. S 1> นี้การเป็นธเกี่ยวกับดั้ง มันเกี่ยวกับความคิดคิดเยอะแล้วก็อ้างว่าญี่ปุ่นเนี่ยสามมนห้าพันคนต่อปีทีเดียวที่ค่าตัวตายเยอะทั้งโลกนี่ทุกๆสี่สิบวินาทีมีคนฆ่าตัวตายหนึ่งคนเนื่องจากความคิดตัวเองด้านั้นแหละมากกว่าภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกใบ น, นี้แล้วภัยวัตตาสงสารเราก็รู้ว่าเออมีคนบรรลุธรรมเกิดขึ้นมาก่อน ศาสนาธรรมในเกิดมาก่อนจริงๆเมื่อเข้าถึงธรรมชาติก็เริ่มมีลักษณาของคนที่เข้ามาฟังต้องมีศาสนาสถานสถานที่รองรับมันมีสถานที่ก็ต้องมีลณะของวัตถุมีสิ่งที่เป็นที่ระลึกแล้วถึงว่าเจ้าต้องปั้นพระตัลลุเอาไว้ นึกถึงพัฒน์ก็ต้องมีคำภี์สืบทอดกันมามากมายสาวะสองเนี่ยพระเจ้าสมาาัยมาแล้วเจ้าเรืเ่องอะมนันมีลักษณะของสาระวัตถุสาระสถานคนมาอยู่กันเยอะๆก็ต้องมีสาระพิธีสาระพิธีที่จะเป็นระเบียบวินัยกรอบต่างๆเกิดขึ้นมามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเนี่ยกัรนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ศึกษาทำไะ มีสานาบุคุณมีสานาวัตถุสานสถานพวกนี้ยสานาพิธีทั้งหมดก็คือธรรมชาติทั้งหมดนะเป็นศาสนธรรมที่เราเมตตามันแล้วมันต้องเห็นเหมือนกันมันจะไม่เกี่ยวญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกะทยไม่เกี่ยวกับจีนจีนก็มีศีลลังกาเนร์ฝรั่งคนไทยคนลาวคนไม่เกี่ยวอันเดี๋ยวให้อาจารย์โยคิตันพูดะ ถึงประสบการณ์ที่ทานเรียนรถทำมามา20 ป, ปีปีเดียวกันนันนี่ยระหว่างญี่ปุ่นอายุ50บคนไทยอายุ50ครแก่ประกันยอ ม, มปีเดียวกันให้ถามเพื่อนไม่ถามแม่เพียนเป็นตัวแทนของอุบาสกบัณิการนะแม่เพียนเนเออเอาในเจ้าของวัดเนี่ยนะจันโยก่กับเจ้าของวัดเจอเจกันมานานนะ20ปี นั้นหลายๆอย่างอะ่ะเดี๋ยวเราสร้างประโยชน์ร่วมกันประเด็นเดี๋ยวันนี้กราบในบ่อนาจารย์โยกิให้ท่านได้เทธรรมะสมควรแก่ทำแก่เวลาต่อไปกราบนในบ่อนก็กราบบระปรารถนาทไวขอการจากคณะสมครูบอาจารย์ท <c oughs> ุกท่าน ก็โเจารุพรญาติโยมแม่ชีทุกๆท่านนะครับก็ตามสบายๆนะครับก็อาจารย์สเสิงก็ให้ตามมาจะพูดก็ดีได้โอกาสมาถึงสุกัตโตแล้วก็ได้พบ กับครูบาจารย์แล้วกธรรมชาติแล้วก็ญาติโยมชาวบ้านก็อยู่ด้วยกันเป็นชุมชมที่ทำให้สนับสนุนเจริญชีวิตจิตใจก็คิดว่า ตมาก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสทีดีที่ได้เป็นโชคดีมาเงินไทยแล้วก็ได้มาถึงสุกัสโตได้พบครูบ า, าอาจารย์หลวงพ่อกำกียน้นโปกรมแล้วก็าชันสนเซนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้พบกับญาติโยมที่สาหามาปฏิบัติธรรม เป็นเป็นกรรยนมิตก็จิตใจก็เป็นอันเดียวกันว่าจะเจริญทำให้สิ่งที่ดีคกอดขึ้นทำให้สิ่งที่ชั่วละออกไปบานเตาลดหลอนไปนี่ก็เป็นหน้าที่ที่เป็นของชาวพุทธอาจารย์สอนสิเมื่อกี้ก็ปฏิบัติ ว่าเป็นศาสนาก็มีส่วนสีอย่างเป็นศาสนาวัตถุศาสนาคนศาสนาพิธีก็ศาสนาธรรมแม้แม้ว่าเป็นสถานที่บางคนระเแบบีเยบในวัดก็เป็นคนระแบบียบวัดญี่ปุ่นวัดไทยวัดจริงหรือว่าเป็นใส่เสือ้อชุดไหนเป็นพระ ใส่ชีบรองหรือว่าใส่ชุดเสือ้อเป็นสีดำสีฟ้าอะไรต่างๆก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นโสมุตแล้วก็าศาสนาธรรมนี้ก็เป็นเป็นถาวรอันเดียวกันเพราะว่าธรรมะก็เป็นธรรมชาติ เป็นอ่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติในเรื่องจิตชีวิตจิตใจก็อันเดียวกันไม่ว่าเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนฝรั่งนี่ก็อันเดียวกันถ้าเราไม่รู้จกักจิตใจเป็นยังไงก็จะอาจจะล้ม ทามไปชีวิตของเราก็ทุกใจทุกเวลาทุกนาทีต่ว่าถ้าเรารู้จากว่าเป็นธรรมะชีวิตจิตใจเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเข้าใจได้แล้วก็ปัญหาชีตของชีวิตก็ ก็หมดออกไปหายไปก็ก็ที่อาจารย์สนจริงก็ธิบายประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศของอาตมาก็ตรงนี้ก็มีคนที่เป็นทุกข์ก็หลายกลนแม้ว่าเป็นเศรษฐกิ จ, จเจริญวัตถุก็จเจริญแต่ ใจยางทุกใจมากก็มีเมื่อกี้ก็บอกว่าปีหนึ่งก็3า0 0มอหคนอหปงคนตายถ้าตัวตายกันถ้านับเป็น 35,000 หปางคนนี่ก็วันหนึ่งก็เป็น100คนก็ตายกันแล้วก็รอนดูรอนตายแต่ว่า ไม่ตายไม่ไม่ตายไปโรทก็สิบเท่านะก็ทั้งหมดก็วันหนึ่งก็หนึ่งพังคนที่ประเต้เดียวกันก็อุตสาหะกล้าตัวตายกันเพราะอะไรก็เพราะความทุกข์ความทุกข์ากตามจิตใจ มีสาเหตุก็ควจะมีหลายอยา่างเรื่องเ็จเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องโลกเรื่องอความสามันกับคนเองคนที่ทะเลาะกันอะไรก็มีหมดหมดกำลังใจเสียใจ ก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่านี้ก็เป็นเพราะความทุกข์คนจะทุกข์มานานแล้วก็หมดกำลังใจอ๋อคนตายดีกว่าก็คนแบบนี้ก็หลายคนแล้วก็คนที่เป็นจิตเป็นอ่าิด ป, ปกติขึ้นก็ไปหาหมอกินยา นี่ก็มากขึ้นเรื่อยๆได้ยินข่า ว, ว่าที่เมืองไทยก็มากขึ้นอยู่นะเพราะว่าเสร็จเจริญเจริญแล้วก็ความคิดก็มากขึ้นแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็ได้สติกอมุนแล้วก็ว่ายันญี่ปุ่นนี้อัตลักษกาตัวตายก็4เท่า คนตายคนเ อ, อ่อหักคนตายกสีเท่าก็ก็เป็นอันตรายถ้าเป็นพลละเมืองก็ที่ปี่เข้ามากกว่าเงินไทยสนเท่าก็อาจจะมีแปดเต้าคนตายหนึ่งหนึ่งคนตายกตัวตายที่ญี่ปุ่นที่แปดคนตายกันวันนี้ก็ ก็พราะว่าทุกแม้ว่าเป็นคนที่ไหนก็มีความทุกข์แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าแก้ไขปัญหาโดยก้าตัวตายครั้งก็มีแต่อันนี้ก็มันก็ผิดผิดจริงๆมันก็แก้ไม่แก้มันปิดนะครับ เพราะว่าความทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องจิตใจไม่จะเป็นเรื่องร่างกายจช่นเชแล้วทุกข์นี้ก็ไม่จะ อ, อ, อ, อยู่ที่กายมาอยู่ที่กายก็มีบ้างเจ็บป่วยเป็นโรค ก, ก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรากล้าตัวได้ กล้า ต, ตายกันได้เพราะเช่งว่าเป็นอาจารย์คำพงก็อนเอ่อเป็นร่างกายเป็นพิการเจ็บป่วยแต่ว่ามันก็จิตใจบริบารสดเชื่นก็มีอยู่ทำได้แต่ว่าเราก็มันเจ็บปวดนิดหน่อยก็มันก็มีความทุกข์ ไม่ไหวไม่ไว้ ไ, ไ, วได้หรือว่าแม้ว่ามันร่างกายไม่เจ็บแต่ว่าส่วนมากก็เป็นจิตใจเจ็บปวดก็อยากล้ามตัวมั่งอันนี้ก็เป็นผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ใจะเป็นเรื่องร่างกายมันเป็นจุดาสาเหตุจริงๆ ยิ่งเจี๊ยนรื่องจิตใจก็เราก็ให้เรื่องจอบเรื่องของจิตใจจบเรื่องอที่เราคิดอยู่ที่ใจให้หมดไปหายไปให้ตายไปได้ก็แก้ได้ไม่จะเป็นเรื่องกายทําทลายร่างกายมันก็ก็เป็นปิด เพราะว่าเราก็คิดความคิดนันงแอนว่าจะสร้างความำงำโบนใจสร้างความโกรดสร้างความ อ, าอิจาหรือว่าอยากได้นี่แต่ไม่ไม่ได้ก้อนนี้ก็เป็นอาการของชีวิตจิตใจ ไม่ใช่เป็นอาการของร่างกายก็เราก็แค่กาให้จบเรื่องของความคิดที่เราสร้างความคิดที่สร้างนี้ก็สร้างในปัจจุบัขนขณะนี้ปัจจุบันขนาดนี้ถ้าเรารู้สึกตัว แล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อเป็นเวลานั้นก็มันก็เป็นที่เราก็สร้างขึ้นมาในปัจจุบันนี้เรื่องอดีตก็เราก็นึกคิดในปัจจุบันนี้ไม่จะเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็เรื่องอนาคตก็ไม่ใช่เป็น เรื่องอนาคตที่จกมาก็เรื่องอนาคตจิตใจเราสร้างก็คิดกรบนคิดแป็งควรคิดว่าทำอาทำอย่างนี้ก็ไม่ได้แน่ก็คิดในใจคิดปัจจุบันนี้ก็ก็ ก, ก็ให้ถ้าเข้าใจแล้วก็จบ ในปัจจุบันนี้ได้จบเรื่องด้วยมีสติตอนที่เราไม่เห็นไม่รู้ก็มันคิดทุ่นซ้าเป็นปูนเต็มไปเรื่อยๆสรานเรื่องใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นความโกรธก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้น งานบนใจก็ใหญ่ขึ้นมากขึ้นก็สร้างในปัจจุบันนี้สร้างเรื่องนี้ก็ให้จบมันซัก็ให้สบายขึ้นได้ถ้าเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็มันก็แก้ไม่ได้ เพราะว่ามันก็เราไม่ได้อยู่ที่เรื่องอดีตไม่ใช่อยู่ที่อดีตไม่ใช่อยู่อนาคตแล้วก็อยู่ปัจจุบันแต่ว่าจริงๆปัญหาคือเครื่งก็สร้างในจิตใจในปัจจุบันนี้ก็เลยแก้ไขได้เรารู้แล้วก็ปล่อยไป พิธีการสร้างเจริญสติยกมือสร้ า, จางจังหวะก็ดีดุนจงกรมก็ดีเป็นิธีที่มานทานง่ายๆให้จบเรื่องจบเรื่องเรื่องทุกที่เราสร้างขึ้นมาเองในปัจจุบันนี้ถ้าจบแล้วก็ปล่อยไปได้เป็นธรรมชาติ ว่าเป็นอนิจจังอนัตตาก็เป็นเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเรายึดมั่นถือมั่งกับความคิดอารมณ์ทันงานแล้วก็มันก็มันไม่ได้กระทบกระเทือนใจเราได้ก็เป็นเรื่องธรรมช า, ากเกิดแล้วก็ ดัไปเองก็เราก็อยู่เป็นอิสระสบายๆไม่ได้เป็นธาตุของความคิดไม่ได้ธาตุของธรรมชาติแล้วก็เพื่อเห็นเพื่อที่เห็นธรรมะธรรมชาติเพื่อที่เห็นอาการต่างๆของจิตใจก็มันก็เอามาใชา้ ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของจิตใจความคิดก็เป็นทาของมันความคิดไปนั่งก็เราก็ไปนู่นไปด้วยกันไม่มีสละแต่ว่าถ้าเราก็เป็นเจ้าของได้แล้ว ก็ความคิดก็เราก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองให้สุขสบายได้แล้วก็เอามาใช้เป็นภาษาให้เพื่อนเพื่อนที่รอบรอบเรามีความสุขให้ยิ่งๆขึ้นไปก็ได้มนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสินตี เหมือนกับว่าเป็นมีดมันความคิดก็เหมือนกับมีดมีดนี้ก็เราไม่รู้จะใชอยังไงก็อาจจะเอามีดใช้ตัวใช้ให้ตัวเอมบาดเจ็บหรือว่าแทนให้เพื่อนเจ็บได้หรือว่าถ้าเป็นเด็กน้อย มีดยังไม่รู้ใจก็อาจจะใช้ปิดเจ็บได้ด้วยแต่ว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็รู้จักใช้รู้จักเพื่อประโยชน์เช่นเป็นทำ อ, อาหารด้วยใจมีดหรือว่าจะเป็นหมอก็ใช้มีดไปพ่าตัด ก็ช่วยเหลือตัวช่วยเหลื อ, อคนที่เป็นบาดเจ็บทุกได้แก้ไขปัญหา่างกายได้ทำอาหารอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นความสุขตัวเองมีความสุขแล้วก็แบ่งให้เพื่อมีความสุข แล้วก็มีประโยชน์ของอาหารได้แล้วก็มีความสุขตัวเองได้ทังเพื่อนๆนที่เราให้อาหารที่มีประโยชน์ได้ถ้าเป็นเประโยชนทีบแล้วก็ก็เป็นออยอร่อยนี่ก็เป็นความสุขแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ของอาหารนี่ก็เป็นความรู้ เอาก็เอาได้ทั้งสนิยามได้มีความสุขได้มีความรู้ด้วยแล้วก็แบ่งไปให้เป็นด้วยเมตตาด้วยกรุณาก็มีความสุขด้วยการเป็นมุติตาใจก็แล้วก็มีความสึกด้วยกันแล้วก็ความสึกก็มาขึ้นยิ่งจริงคุ้นไปได้ ถ้าเป็นความสุขคนเดียวก็ยังไม่พอก็มีความสุขด้วยกันก็ก็สร้างขึ้นความอา่สุขมากขึ้นได้ก็ความคิดก็เหมือนกันความคิดก็ยันใจไม่เป็นก็ตัวเองบาดเจ็บ ความเจ็บใจได้แต่ใช้เพื่อประโยชน์แล้วก็มันเป็นใช้เป็นคิ ด, ค, ดคิดเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตได้ก็แล้วก็ามาเป็นภาษาให้ เพื่อนเพือนมีความสึกได้เพื่อนเพื่อนมีความรู้มากขึ้นได้ก็ไม่ได้เป็นความคิดเป็นศัตรูเป็นเอาแต่เรานั่งเอนเป็นให้เป็นความคิดเป็นศัตรูหรือว่าความคิดเป็นเพื่อนหรือว่าความคิดเป็นอาจารย์ก็ได้ ถ้าเรามีสติปัญญาได้แล้วก็เป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตตุก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นอะไรต่างๆนี่ก็ใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตคนเราได้ด้วยแล้วก็ให้เจริญ สังคมามากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตัะสรุว่าเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้รรเราก็ได้มีโอกาสที่ดีได้สำรวจ คำสองของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ายินศึกษายินปฏิบัติก็ยิน้นเราก็เกิดศรัทธาเริ่มใส่คนที่เกิดเริ่มใสศรัทธามากองก็ดีแต่ว่าไม่มีศรัทธาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เราก็รอนดูตามตามลอนดูก็ได้ผลพบปะกับสิ่งที่ถูกต้นด้วยตรงเอน็นเข้าใจด้วยตรงเองนก็ตัวตัวเอ็นก็สัมปัสได้แล้วก็เข้าใจได้ คิดว่าญาติโยงที่มาปฏิบัติธรรมแลปฏิบัติไปเรื่อยแล้วก็คนจะได้เห็นได้พบเป็นธรรมะที่เรามีอยู่ที่จิตใจตลอดเวลาเวลาที่เราทุกข์ก็มันก็มีสาเหตุแน่นอนเป็น มีทุกข์ก็มีสมุทัยแต่สาเหตุที่ทําให้กูทุกข์นี่ก็เป็นความอยากหรือว่าผทางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อบิชาอบิดาคําที่อบิดานี้ก็ว่ า, าไม่ความว่าเป็นไม่ดูไม่เห็นอะนี่ก็ไม่ก็บิชานี่ก็ ดูเนี่ยก็เลยไม่ดูไม่เห็นก็เลยมันก็หลอมทานลืมตัวหลน้นตาคำว่าลืมกับหลมนี่ก็มันทิมที่ทำให้เป็นคำที่ทำให้เราทุกใจได้แต่ว่าเป็นยาที่แก้ไข เืมแล้วก็หลอนนี่ก็ก็สติกับปัญญาสติก็รู้มันป้องกันดื่มตัวได้ปัญญาก็เข้าใจป้องกันความหลอนทางกันได้เราก็ก็สานสติแล้วก็มันก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้น วาเป็นอะไรเป็นอะไรจิตใจเกิดขึ้นทุกเพราะอะไรก็เข้าใจแ ก, ก้แล้วก็วิธีการที่เราก็มีอยู่เป็นอ่าเป็นมักเป็นมักก็เป็นวิธีการของทานที่เราดับทุกมักอม8ก็มีโดยเฉพาะ สัมมาสติสัมมาส ม, มาธิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะก็แล้วก็ตั้งนอกต้งใจทำให้ความดีเกิดขึ้นทำให้ความเชื่อลดลงไปและสติให้รู้จักก้าก็ค่อ ย, อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นโดยธรรมชาติ เราไม่ต้องหวังอนาคตก็ได้ไปยามลมมือทำในปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเป็นปลูกต้นไม้เราไม่ต้องอหวังว่าจะให้ผมดีไม่ต้องหวนว่าผ ม, มได้หรือเปล่าผมแอปเปิล ไรต่างๆแล้วก็เราก็พยายามที่จะทำในปัจจุบันช่วยรักษาดูแลต้มน้มลน้ำหรื อ, อทำในปัจจุบันจะได้ผมก็เกิดขึ้นมาตามตามที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็เราก็เป็น ถ้าวันอะไรต่างๆนี่ก็เป็นทั้งหาอตอนที่เราก็คิดอนาคตมากขึ้นก็ตอนนั้นแหละไม่ได้ทำในปัจจุบันแล้วก็ล้มในความคิดไม่ได้ทำแต่ว่าเราก็มีฉันทะทำในปัจจุบันลองทาดูกอ ถ้าทำแล้วก็ไอผงก็ทำตามมันเพราะฉะนั้นนี่ก็พวกเราก็การที่ดีหมดได้กุญแจที่ทำให้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอดจริงๆแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเรือเ่อง กายเรื่องอหไรต่างๆก็มันก็ <c oughs> เรานังแอนที่แก้ไขได้จริงๆแล้วมี ม, มันเป็นอวิญญาณเหล่านี้แอนที่สร้างรูปตำรูปนามก็เราก็ได้ดู อันนี้อันนั้นบันทีก็ดูดันโนบันทีดดันดูดันนในบันทีดดูสินที่ช่วบันทีก็ดูสินที่ดีก็แล้วแต่มีอย่างของเราก็รู้ แล้วก็เราก็ให้มีความหมายว่านี้อันนั้นก็ด้วยตรงแอนไม่ใช่พื่อเอืงนี่ก็ชีให้แล้วก็คิดด้วยตรงแอนแล้วก็ดูด้วยตรงแอนถ้าเราจริตใจมีสติมีปัญญาได้แล้วก็สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็มันสิ่งที่ดีขึ้นได้สิ่งที่แม้ว่าเป็นแหงว่าเป็นปัญหาก็เราก็ออมันเป็นบทเรียนทำให้เราจรเินแก้ไขปัญหาแล้วก็จริญชีวิตจิตใจได้ด้วย ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างบทเรียนจะแก้ไขด้วยมีความสุขความสนุกสนานได้เพราะฉะนั้นนี่ก็พวกเราก็ามาปฏิบัติธรรมก็มีว่าเป็นโชคดี ยินยิน่นะครับก็ขอให้อธิบาตตามได้ผมดีได้เข้าใจธรรมะให้ชัดขึ้นชัดขึ้นมีความสุขเจริญยิ่นยิ่งขึ้นไปและความทุกข์มันลดลมไปเรื่อยๆให้เป็นอ่าเป็น รูปสีลที่เป็นพระพุทธเจ้าทุกๆกคนดีทุ ก, ท, ก, ท, ท, กทุกคนเธอ